พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่27สุตตันตปิฎกขุตกนิกายชาดกภาคที่หนึ่งในเล่มที่27นี้อันเป็นภาคแรกของชาดกได้กล่าวถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันมีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิตแต่ในตัวพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเรื่องไว้มีแต่คำสุภาษิตรวมทั้งคำโต้ตอบในนิทาน เรื่องละเอียดมีเล่าไว้ในอัตถกถาคือหนังสือที่แต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่งคำว่าชาตกักหรือชาดกแปลว่าผู้เกิดคือเล่าถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตายเกิดถือเอากำเนิดในชาติต่างๆได้พบปะผจนกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายกล่าวอีกอย่างหนึ่งจะถือว่าเรื่องชาดกเป็นวิวัฒนาการแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นพระโอทิสัต์อยู่ก็ได้ในอัธกถาแสดงด้วยว่าผู้นั้นผู้นี้กลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ในบาลีพระไตรปิฎก กล่าวถึงเพียงบางเรื่องเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดีและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้นๆันหนึ่งเป็นที่ทราบกันว่าชาดกทั้งหมดมีห้า้อยห้าสิบเรื่องแต่เท่าที่ได้ลองนับดูแล้วปรากฏว่าในเล่มที่ยี่สิบ็ดมีห้า้อยิห้าเรื่องในเล่มที่28บปมี22สิบสองเรื่อง รวมทั้งสิ้นจึงเป็น547เรื่องขาดไปสามเรื่องแต่การขาดไปนั้นน่าจะเป็นด้วยในบางเรื่องมีนิทานซ้อนนิทานและไม่ได้นับเรื่องซ้อนแยกออกไปก็เป็นได้อย่างไรก็ตามจำนวนที่นับได้จัดว่าใกล้เคียงมากวิธีจัดประเบียบชาดกนั้น จัดตามจานวนคาฉันน้อยขึ้นไปหามากและตั้งชื่อหมวดหมู่ตามจํานวนคาฉันนั้นคือเอกนิบาตชาดกชาดกที่ชุมนุมคำฉันบทเดียวมีห5 0เรื่องทุ ก, กนิบาตชาดกชาดกที่ชุมนุมคำฉันสองบทมีหนึ่งรเรื่องติคานิบาตชาดกชาดกที่ชุมนุมคำฉันสามบทมีห้าสิบเรื่องดังนี้เป็นต้น ในเล่มที่27มีจนถึงจัดตาลีสนิบาตชาดกคือชาดกที่ชุมนุมคำฉันสี่สบทมีห้าเรื่องส่วนเล่มที่ยี่มีชุมนุมคำฉันห้าสิบบท6 0บทเจสบบทและแ0บทและมีมหานิบาตคือชุมนุมเรื่องใหญ่สิบเรื่องอันมีมหาเวสันดรชาดกเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นอันว่าประไตรปิฎกที่ว่าด้วยเรื่องชาดก คือคำสอนแบบเล่านิทานคติธรรมนี้มีอยู่สองเล่มคือเล่มที่27และเล่มที่28ส่วนอัตถกถาคือหนังสือที่แต่งขึ้นภายหลังขยายความเล่านิทานให้พิสดาดออกไปนั้นมีถึงสิบเล่มแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่แม้เช่นนั้นก็มีชาวต่างประเทศแปลและพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไว้เรียบร้อยแล้วรวมหกเล่มใหญ่ คือจบับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พิมพ์ครั้งแรกเมื่อคิดตศักราช1895นอกจากนั้นยังมีสำนวนอื่นอีกสองสำนวนคือสำนวนของริสเดวิสแปลไว้สี่สิบเรื่องสำนวนของแฟรนซิสกับทอมัสแปลไว้หนึ่งร้สิบสี่เรื่องในการยอ่อนี้จะไม่นำนิทานในอั ธ, ธกถามาเล่าเลยแต่จะเลือกนำพาสิทธิกติธรรม ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่27สดมาแปลให้เห็นเนื้อหาแห่งคำสอนสักสิบบทจากชาดกต่างๆดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งอปันนกชาดกคนบางคนกล่าวฐานะที่ไม่ผิดนักตรึกคือนักตักกะวิทยากล่าวฐานะที่สองบัณฑิตรู้เนื้อความนั้นแล้ว พึงถือเอาเฉพาะฐานะที่ไม่ผิดหมายเหตุภาสิทนี้แสดงให้เห็นหลักทางพระพุทธศาสนาที่ให้ถือความจริงที่แน่นอนเรื่องของการคิดคาดคะเนหรือการเดาซึ่งเป็นฐานะที่สองนั้นไม่ใช่คติที่พึงยึดถือพูดง่ายๆว่าทางพระพุทธศาสนารับรองเฉพาะความจริงที่ประจักษ์ชัดไม่ยอมเดาในเรื่องใดๆ เรื่องที่สองวันุปถะชาดกพ่อค้าเกวียนทั้งหลายไม่เกียดคร้านขุดในทางทรายคือหาน้ำอยู่ก็ได้พบน้ำในเนินทรายคือในทะเลทรายนั้นท่านผู้เป็นมุนีก็เช่นกันเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือความเพียรไม่เกียดคร้านพึงประสบความสงบแห่งหัทัยได้ เรื่องที่สามจุลเศรษฐิชาดกผู้มีปัญญาพิจารณาเหตุผลยอมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้น้อยเหมือนคนก่อฝ่ายกองน้อยให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้นเรื่องที่สี่มัตตกะพัตตชาดกถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้อย่างนี้ว่าความเกิดนี้เป็นทุกข์ผู้มีชีวิต จึงไม่พึงเบียดเบียนผู้มีชีวิตด้วยกันเพราะผู้ทำร้ายผู้มีชีวิตย่อมเศร้าโศกเรื่องที่ห้าติดตะทะชาดกดูก่อนในสารถีท่านจงนำม้าไปดื่มน้ำที่ท่าอื่นบ้างสิคนเรายังเบื่อข้าวปลายาดที่กินซ้ำาๆได้หมายเหตุเป็นคำแนะนำของบัณฑิต ให้นาม้าของพระราชาซึ่งไม่ยอมลงดื่มน้ำในท่าน้ำที่จำเจโดยให้นําไปดื่มที่ท่าอื่นดูบ้างเพราะคนเรายังรู้จักเบื่ออาหารที่กินซ้ำๆคติของเรื่องนี้คือให้แก้ไขเรื่องต่างๆอย่างใช้ปัญญาเรื่องที่หกนันทิวิสาระชาดก ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ควรกล่าววาจาที่ไม่น่าพอใจในการไหนไหนเมื่อเศรษฐีกล่าวคำที่น่าพอใจโคนันทิวิสารได้ลากภาระหนักไปได้ทำให้เศรษฐีได้ซับและเอิบอิ่มใจเพราะเหตุนั้นเรื่องที่7สัมมทมาณชาดก นกทั้งหลายชื่นชมต่อกันคือสามารถขี่กันก็พาเอาขขา่ไปได้เมื่อใดนกเหล่านั้นทะเลาะกันเมื่อนั้นก็มาสู่อำนาจของเราหมายเหตุในพรานพูดเมื่อนกกระจาบติดขข่เพราะทะเลาะและเกี่ยงแย่งกันไม่เหมือนคราวแรกที่ยังสามารถขี่กันบินขึ้นพร้อมกับนําเอาขขา่ที่ดักไว้ไปติดบนต้นไม้และรอดชีวิตไปได้ เรื่องที่8ทุมเมทะชาดกคนมีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่ตนยอมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นเรื่องที่9สุวรรณหังสะชาดกพึงยินดีตามที่ได้เพราะว่าความโลภเกินไปเป็นความชั่ว เเรื่องคนจับพยาหงเลยเสื่อมจากทองหมายเหตุคือเรื่องโลภมากลาบหายเดิมได้ขนทองซึ่งหงทองมาสลัดให้แต่คิดโลภมากจับหงไว้แล้วถอนขนจนหมดทั้งตัวขนที่เคยเป็นทองก็เลยเป็นขนนกธรรมดาไปเรื่องที่สิบ อุะโตพัทธชาดกตาก็แตกผ้าก็หายทั้งยังทะเลาะกันในเรือนของเพื่อนบ้านเขามีการงานอันถูกประทุษร้ายทั้งสองทางคือทั้งในน้ำและบนบกหมายเหตุเป็นเรื่องของสองผัวเมียชาวประมงผัวตกเบ็ดติดต่อนึกว่าได้ปลาใหญ่เกรงว่าเพื่อนบ้านจะขอ จึงสั่งให้ลูกไปบอกกับเมียให้ไปเที่ยวทะเลาะกับเพื่อนบ้านตัวเองดึงสายเบ็ดแต่ดึงไม่ขึ้นจึงเปลืองผ้าทิ้งไว้บนฝั่งลงไปงมถูกตอตาตาแตกครั้นขึ้นมาก็ไม่มีผ้าจะนุ่งเพราะมีใครขโมยไปแล้วทางบ้านก็แตกกับเพื่อนบ้านหมดเพราะเมียไปทะเลาะตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว